ขอความสุขความเจริญจงมีแ ด, ด่ท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน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 พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพกรรมการมหาเถระสมาคมและเจ้าคณะใหญ่ผนตะวันออกมานำเสนอสู่ท่านสาธุชนในเรื่องการดำเนินชีวิตในวันสงกรานต์สารธรรม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 มาจนกระทั่งถึงท่านผู้เป็นมารดาท่านผู้เป็นบิดามีชีวิตอยู่ก็ตามล่วงรับไปแล้วก็ตามและให้ระลึกถึงบุรพาจารย์คือครูบาอาจารย์จะเป็นฝ่ายเครือขัดก็ตามเป็นฝ่ายบัรพชิตก็ตาม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 รถน้ําการส่งน้ารถน้ํานั้นใช่สําหรับท่านที่เป็นครวาตเป็นครือขัดที่เป็นผู้ใหญ่ส่งน้ํานั้นใช่สําหรับประสงค์เมื่อสงกรานต์มาถึงเข้าเราจึงมีการส่งน้ําและรถน้ํา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 เวลาที่ใจของเราเองหมุนมาในทางที่ดีแล้วเราก็จะรู้สึกทีเดียวว่าเออนี่ความคิดความหานของเรามาในทางเป็นกุศลนะเป็นสมมาทิฏฐิพอหมุนไปทางผิดแม้แต่แวบเดียวถ้าเราจับได้ไลยทันเราก็จะนึกเึินมาว่าโอ้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้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 ทั้งในส่วนตนทั้งในส่วนที่จะอำนวยประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายในการอภสมบทนั้นจะเจ็นคณสมเด็จพระพุทธโคสอ า, าจารย์ผู้เป็นพระประชาได้ให้ชื่อที่เรียกเป็นคำทางทางวัดทางพระวะ่าฉายา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 และได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านทั้งหลายเหมือนในเวลาที่ยังเป็นครือหัดอยู่แต่ว่าใกล้ชิดในลักษณะบรรพชิดที่จะอำนวยประโยชน์แก่บรรดาท่านสาธุชนผู้สนใจข้อนี้เป็นเรื่องดี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 คือสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนั้นปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้พระพุทธศาสนาอำนวยประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเป็นสำคัญจะมากจะน้อยก็ตามเถอะท่านจะมากันมากคนหรือน้อยคนก็ตาม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 ซึ่งหมายถึงสมาธินั่นเองอย่าให้สัมผัสโดยพระพุทธศาสนาแต่ส่วนภายนอกอย่างเดียวการให้ทานการรักษาศีลสาคัญหรือไม่สาคัญที่สถาบันนี้ถือเป็นหลักสาคัญหลักหนึ่งเหมือนกัน จึงให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสถวายสังฆทานแก่ประสงค์และทุกครั้งจะต้องมีการสมาทานศีลเห็นความสําคัญในเรื่องทานเรื่องศีลในขณะเดียวกันก็ต้องการจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นความสําคัญของภาวนาซึ่งขาดอยู่ภาวนานั้นเป็นเรื่องที่จะสัมผัสได้ด้วยจิต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 ท่านจะมากันมากกันน้อยก็ไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่กล่าวมาแล้วแต่ไม่ได้หวังสิ่งอื่นใดอีกสึ่าธรรมาก็กล่าวมาหลายครั้งหลายหนแล้วจะเป็นท่านชยมังคโลก็ดีคืออาจารย์เสริมชัยก็ดีท่านอาจารย์ที่เป็นป่ายพระอื่นๆรูปอื่นก็ดีไม่ต้องการอะไร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 คือการปฏิบัติเข้าถึงธรรมเข้าถึงวินยัยไม่ใช่อยู่ได้โดยสิ่งอื่นท่านพูดแล้วอาจจะมารู้สึกดีใจเหลือเกินที่ได้ยินได้ฟังคำอย่างนั้นคือกรงกับใจมากคนทั้งหลายนั้นบางทีก็มองสิ่งข้างนอก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 นั่นเองนั่นเป็นเรื่องสำคัญมากวันนี้เป็นวันสงกรานต์ท่านมาแล้วได้ปฏิบัติธรรมก็พยายามให้ถึงธรรมยังมีเวลาที่ท่านจะได้ปฏิบัติกันตอนภาคบ่ายอีกแต่ในช่วงนี้ท่านชมชยะมังคโลพร้อมโดยคณะ ประสงค์ที่จะให้มีการสงน้ำอารัธนาพร้อมดยพระเถระในวัดอารัธนาไว้สามลูกเป็นตัวแทนของทางวัดเกืออธรมาทัญยุคุณเทพสุธีและท่านยาุคุณเมธีสุธีพงศ์แต่ว่าท่านยาุคุณเทพสุธีมีภาระอาตมาทั้งสองลูกนี้จึงเป็นตัวแทนของทางวัดมารับน้าสง ในเทศกาลสงกรานต์จากท่านทั้งหลายโดยความตั้งใจดีของท่านเยมังคโลและคณะพระวิทยากรทุกรูปเรื่องการสงน้ำและเรื่องอื่นๆนั่นก็จะไม่ขอพูดแล้วเพราะว่าท่านทราบกันอยู่ดีและสมควรแก่เวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้สงน้ำ พร้อมกับจะได้ปฏิบัติธรรมต่อไปด้วยที่สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นเป็นธรรมบัญญายและโอวาทของพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์เจ้าอาวาสวัสเกตราชวรมหาวิหารกรรมการมหาเทระสมาคมและเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกได้บรรยายธรรมให้อวาทแก่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 เรื่องวัฒนธรรมหรือการประพฤติปฏิบัติตนในวันสงกรานนี้อย่างเช่นในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมที่ดีงามนั้นถูกมองข้ามและได้ทมหรือปฏิบัติตนตามอําเภอใจซะเป็นส่วนมากเช่นการเล่นน้ำการสาดน้ำเข้าใส่กันในปัจจุบันนี้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 อาศัยความรักสนุกความสะใจต่างๆในการกระทำลงไปบ้างจนก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆตามมาทั้งภาพพจที่ไม่ดีก็ถูกมองและเผยแพร่ไปตามสื่อต่างๆบางทีก็แรพร่ภาพออกไปยังต่างประเทศเขาก็จะได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีไ ม, ดไม่งามของการประพฤติปฏิบัติในเทศการสงกลานของเรา